หลักกรรมหรือกฎแห่งกรรมหลักกรรมหรือกฎแห่งกรรมมีอยู่ว่าบุคคลทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเขาย่อมต้องรับผลแห่งกรรมนั้นแต่เนื่องจากกรรมบางอย่างหรือการกระทำบางคราวไม่มีผลปรากฏชัดในทันทีผู้มีปัญญาน้อยจึงมองไม่เห็นผลแห่งกรรมของตนทำให้สับสนและเข้าใจไข้เขวเพราะบางที กำลังทําชั่ยอยู่แท้ๆกลับมีผลดีมากมายเช่นลาบยศสันเสริญสุขล่างไหลเข้ามาในชีวิตตรงกันข้ามบางคราวกำลังทาความดีอยู่อย่างมโหลานแต่กลับได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆมีผลไม่ดีมากมายเช่นความเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาว่าร้ายถูกศบประมาท และความเจ็บไข้ได้ป่วยลังไหลเข้ามาในชีวิตความสลับซับซ้อนดังกล่าวทำให้ผู้รับผลของกรรมสับสนเกิดความไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตนทํานั้นเป็นความชั่วจริงๆหรือเป็นความดีจริงๆหรือตามความเป็นจริงแล้วกรรมชั่วที่เขากำลังทำอยู่ยังไม่ทันให้ผลกรรมดีที่เขาเคยทาไว้ก่อนถึงวาระให้ผล ในขณะที่คนผู้นั้นกำลังทำชั่วอยู่จึงทำให้เขาได้รับผลดีถ้าเปรียบทางวัตถุ ก, ก็จะมองเห็นง่ายขึ้นเช่นคนคนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้อันเป็นพิษอยู่มีผลไม้หอ ม, ห, อมหวานอร่อยสุขมากมายในสวนของเขาเขาได้ลิ้มรสอันอร่อยของผลไม้ซึ่งเขาปลูกไว้ก่อนต่อมาต้นไม้มีพิษออกผลในขณะที่เขากำลังปลูกต้นไม้ที่มีผลอร่อยอยู่ ข้าบริโภคผลไม้มีพิษรู้สึกได้รับทุกขเวทนาข้อนี้ฉันใดกรรมกับผู้กระทำกรรมก็ฉันนั้นกรรมดีย่อมให้ผลดีกรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วแต่เพราะกรรมจะให้ผลก็ต่อเมื่อสุกเต็มที่แล้วหรือ maturation และมีความสลับซับซ้อนมากจึงทำให้งงทั้งนี้สาเหตุหนึ่งก็เพราะสติปัญญาของคนทั่วไปมีอยู่อย่างจากัด เหมือนแสงสว่าง น, น้อยๆไม่พอที่จะส่องให้เห็นวัตถุอันสลับซับซ้อนอยู่มากมายในบริเวณอันกว้างใหญ่และบริเวณนั้นถูกปกคลุมอยู่ด้วยความมืดเมื่อใดดวงปัญญาของเขาแจ่มใสขึ้นเขาย่อมมองเห็นความเป็นจริงปัญญาของเขายิ่งแจ่มใสขึ้นเพียงใดเขาย่อมสามารถมองเห็นเรื่องกรรมและความสลับซับซ้อนของชีวิตมากขึ้นเพียงนั้น เหมือนแสงสว่างมีมากขึ้นเพียงใดผู้มีจักสุปกติย่อมสามารถมองเห็นวัตถุอันละเอียดมากขึ้นเพียงนั้นสิ่งใดละเอียดมากเช่นเชื้อจูลินรีมอด้วยตาเปล่าไม่เห็นนักวิทยาศาสตร์เขาใช้เครื่องมือคือกล้องจุลทรรศน์ซึ่งมีอนุภาพขยายเป็นพันพันเท่าของวัตถุจริงจึงทาให้มองเห็นได้สิ่งใดอยู่ไกลามาก ระยะสายตาธรรมดาไม่อาจทอดไปถึงได้นักวิทยาศาสตร์เขาใช้กล้องส่องทางไกลจึงสามารถมองเห็นได้เหมือนวัตถุซึ่งปรากฏอยู่หน้าที่ไกลข้อนี้ฉันใดผู้ได้อบรมจิตและปัญญาแล้วก็ฉันนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตสามารถเห็นได้ละเอียดรู้ได้ไกลซึ่งเรื่องกรรมและผลของกรรมชนิดที่สามัญชนมองไม่เห็นหรือมองเห็นได้โดยยาก ทางนี้เพราะท่านมีเครื่องมือคือปัญญาหรือญาณสามัญชนไม่มีปัญญาหรือญาณเช่นนั้นจึงมองไม่เห็นอย่างที่ท่านเห็นเมื่อท่านบอกให้บางคนก็เชื่อตามบางคนไม่เชื่อใครเชื่อก็เป็นประโยชน์แก่เขาเองทั้งด้านการดำเนินชีวิตและจิตใจหาความสุขได้เองผู้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมได้กำไรกว่าผู้ไม่เชื่อ คือทําให้เว้นชั่วทําดีได้มั่นคงยั่งยืนกว่าผู้ไม่เชื่อทําให้เป็นคนดีในโลกนี้จากโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในโลกหน้าเมื่อประสบปัญหาชีวิตอันแสบเผ็ดก็สามารถทาใจได้ว่ามันเป็นผลของกรรมชั่วเมื่อประสบความรื่นรมในชีวิตก็ไม่ประมาทมองเห็นผลแห่งกรรมดีและหาทางพอบพูนกรรมดีต่อไปหนึ่ง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงหรือไม่เรื่องนี้เป็นความจริงอย่างยิ่งแต่ที่คนส่วนมากยังลังเลหรือเข้าใจผิดไปบ้างก็เพราะความสลับซับซ้อนของกรรมและการให้ผลของมันการได้ดีหรือได้ชั่วนั้นถ้าวัตถุภายนอกเป็นเครื่องตัดสินก็ลำบากหน่อยต้องรอคอยบางทีขณะที่กำลังรอคอยอยู่นั้น ผลของกรรมอื่นแทรกแซงเข้ามาเส่นก่อนยิ่งทําให้ผู้ทํากรรมซึ่งกำลังรอคอยผลอยู่นั้นงงและไข้เขวไปใหญ่ผลภายนอกและผลภายในของกรรมผลภายนอกคือผลที่ตนเองและคนอื่นมองเห็นได้ง่ายอย่างธรรมดาสามัญเพราะมันมาเป็นวัตถุสิ่งของหรือสิ่งสมมติเช่นลาบยศสรนเสริญความเพลิดเพลิน ความมีหน้ามีตาในสังคมเพราะมีทรัพย์เกื้อนหนุนให้เป็นหรือในทางตรงกันข้ามเช่นเสื่อมทรพัพย์อพยศถูกนินทาติเตียนมีความทุกข์ต่างๆรวมสุมเข้ามาเช่นความเจ็บป่วยความต้องพลาดพลากจากบียชนมีบุตรพัญยาหรือสามีเป็นต้นลาบยศสันเสริญสุขนางคนทั้งหลายพากันฝังใจเชื่อว่าเป็นผลดีหรือผลของกรรมดี ส่วนเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาติเตียนและทุกนั้นเป็นผลชั่วหรือผลของกรรมชั่วแต่ในชีวิตปัจจุบันที่เห็นเห็นกันอยู่หายได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปไหมลาบอาจให้เกิดขึ้นได้โดยทุจริตมิจฉาชีพก็ได้โดยสุดจริตสัมมาชีพก็ได้ยศอาจเกิดขึ้นโดยประจบสอพอก็ได้โดยประกอบการงานอย่างขยันหมั่นเพียรก็ได้ สรรเสริญอาจเกิดขึ้นเพียงเพราะผู้สรรเสริญเข้าใจผิดหรือเพราะเป็นพวกเดียวกันมีอคติอยู่ในใจก็ได้เพราะมีคุณความดีจริงก็ได้ส่วนความสุขความเพลิดเพลินนั้นเกิดขึ้นได้หลายวิธีสุดแล้วแต่ชอบบุคคลชอบสิ่งใดเมื่อได้สิ่งนั้นตามปรารถนาก็รู้สึกสุขเพลิดเพลินไปพักหนึ่งเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่สมใจปรารถนาก็เป็นทุกข์ ในฝ่ายเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาทุกก็มีนายะเดียวกันกับฝ่ายลาบยศคืออาจเกิดขึ้นเพราะการทำดีหรือทำชั่วก็ได้ตัวอย่างเช่นผู้ทำความดีโดยการบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณกุศลเป็นจำนวนล้านทรัพย์นั้นของเขาต้องลดจำนวนลงจะเรียกว่าเสื่อมลาบได้หรือไม่คนทำความดีอาจถูกถอดยศก็ได้ เมื่อทําไม่ถูกใจของผู้มีอํานาจให้ยศหรือถอดยศคนทําดีอาจถูกติเตียนก็ได้ถ้าคนผู้ติเตียนมีใจไม่เป็นธรรมหรือคติจงใจใส่ร้ายเขาคนทําดีอาจต้องประสบทุกข์ก็ได้เพราะต้องมีความอดทนต่อความลําบากตรากตรากายและความเจ็บใจเช่นความลําบากกายลําบากใจในการเลี้ยงดูบุตรและสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดี ซึ่งท่านเรียกว่าความทุกข์ที่ต้องลงทุนหรือพรีเพเมนต์ผลภายนอกเป็นของไม่แน่นอนอย่างนี้ถ้าถือเอาผลภายนอกมาเป็นเครื่องตัดสินผลข้องกรรมย่อมทำให้สับสนเพราะบางคราวผลที่เกิดขึ้นสมแก่กรรมแต่บางคราวไม่สมแก่กรรมเท่าที่บุคคลพอจะมองเห็นได้ในระยะสั้นส่วนผลภายในคือผลที่เกิดขึ้นแก่จิตใจของผู้ทา เป็นผลที่แน่นอนกว่าคือคนทําความดีรู้สึกตนว่าได้ทำความดีจิตใจย่อมผ่องใสขึ้นจิตสูงขึ้นส่วนคนทําชั่วรู้สึกตนว่าเป็นคนชั่วจิตย่อมเศร้าหมองไปอาการที่จิตเศร้าหมองหรือผ่องแพ้วนั่นเองเป็นผลโดยตรงของกรรมดีกรรมชั่วสุขทุกข์ของบุคคลอยู่ที่อาการเศร้าหมองหรือผ่องแพ้วของดวงจิตมากกว่าอย่างอื่นทร ศีล ส, สมบัติชื่อเสียงกีติยศจะได้มามากเพียงใดก็าตามถ้าใจเศร้าหมองทุรนทุรายอยู่ด้วยโลภโกรธหลงอยู่เสมอแล้วสิ่งเหล่านั้นหาสามารถให้ความสุขแก่เจ้าของเท่าที่ควรไม่ตรงกันข้ามกลับเป็นสิ่งให้ทุกข์เดือดร้อนเสียอีกผู้มีใจผ่องแผ้วเต็มที่เช่นพระอระหันต์แม้ไม่มีทรัพย์สมบัติภายนอกที่ชาวโลกกระหายใดๆเลย แต่ท่านมีความสุขมากเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์ 2. กรรมแบ่งออกเป็น12ประเภทหรือกรรม12หมายเหตุเรื่องกรรม12นี้เก็บความจากอัตถกามโนรธาปุรณีอัตถกาอังคุตรินิกายภาคสองหน้า131และจากวิสุทธิมรรคปัญญานิเทศหน้า223 วศินอินทศระในตอนนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รู้รายละเอียดแห่งกรรมจึงขอกล่าวถึงกรรมสิบสองซึ่งจัดตามหน้าที่จัดตามแรงหนักเบาและจัดตามการที่ให้ผลเมื่อทราบคําจํากัดความของกรรมประเภทต่างๆแล้วผู้อ่านบางท่านที่ยังไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งใจร้อนทําใจเย็นๆไว้ก่อนและขอให้อ่านต่อไปจะเข้าใจดีขึ้นอย่างแน่นอน กรรมจัดตามหน้าที่มีส 1. ชนกกรรมกรรมที่ก่อให้เกิดหรือส่งให้เกิดในกําเนิดต่างๆเปรียบเสมือนมารดาของธารกชนกกรรมนี้เป็นผลของอาจินกรรมบ้างของอาสนกรรมบ้าง 2. อุปถรมพักกากรรมกรรมอุปธรรมเป็นเสมือนพี่เลี้ยงนางนมมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี 3. อุปปีรกรรม กรมบีบคั้นมีหน้าที่บีบคั้นกรรมดีหรือชั่วให้พลาวลง 4. อุปคาตกรรมหรืออุปเฉเธกรรมกรรมตัดรอนมีหน้าที่ตัดรอนกรรมทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลกรรมจัดตามแรงหนักเบามีสีหนึ่งคาุกรรมกรรมหนักฝ่ายดีหมายถึงฌานวิปัสนามักผล ฝ่ายชั่วหมายถึงอนันตริยกรรม5คือฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอาราหันท์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อโลหิตทำสงฆ์ผู้สมัคคีกันให้แตกกัน 2. อาจินนกรรมหรือพระหุระกรรมกรรมที่ทำจนเคยชินหรือทำมากทำสม่ำเสมอกรรมนี้จะให้ผลยั่งยืนมาก 3. อาสันนกรรมกรรมที่บุคคลทำเมื่อจวนสิ้นชีวิต มีอนุภาพให้บุคคลไปสู่สุคติหรือทุคติได้ถ้าเข้าห่วงเอากรรมนั้นเป็นอารมณ์เมื่อจวนตาย 4. กระตัดตากรรมหรือกระตัดตาวาปนกรรมกรรมศักแต่ว่าธรรมคือทาโดยไม่เจตนากรรมจัดตามการที่ให้ผลมีสีทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน 2. อุปชาเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปถัดจากชาติปัจจุบัน 3. อปิราระเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลหลังจากอุปัชชาเวทนียกรรมคือให้ผลเรื่อยไปสบโอกาสเมื่อใดให้ผลเมื่อ น, นั้น 4. อาโหสิกกรรมกรรมที่ไม่ให้ผลเลิกแล้วต่อกัน